รธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23มกุมภาพันธ์สอมีชื่อเรื่องว่าอย่าเป็นหนอนขอรับชันก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อเองไปนะัสถานที่ต่างๆก็จะได้กล่าว เรื่องสินโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้อาราธนาสินเมื่อกี้นี้ประธานสงอย่างหลวงพ่อที่มานั่งท่านก็จะให้สินไปเลยโดยมากท่านจะไม่อธิบายเรื่องสินเพราะเป็นที่รู้กันท่านคงจะคิดอย่างนั้นแต่หลวงพ่อเองคิดว่าพวกเราท่านทั้งหลายบางทีก็อยู่ในหัวเมืองพอเป็นเด็กเข้ามาก็เรียนหนังสือพอเรียนหนังสือจบแล้วก็ เข้าม า, เ, าเรียนประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกจากนั้นก็ไปต่างประเทศใจสนใจเรื่องพระพุทธศาสน า, าคงจะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนอาจจะน้อยมากเาพราะนั้นเมื่อเรารับสินไปก็ไม่รู้ความหมายเมื่อรับไปแล้วก็ว่าไปตามท่านเองเพื่อชุมชนเพื่อสังคมถ้าว่าเราไม่พูดก็ยังไงอยู่ แต่ความหมายเรื่องศีลห้านั้นเออไม่รู้ความหมายอันลึกซึ้งแต่ทำไม่จริงศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่พวกเราที่โบราณการที่บรรพบุรุษของพวกเราที่นับถือกันมาท่านว่าศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโล ก, กร่มเย็นเป็นถุกถ้าชนชุมชนกลุ่มใดมีศีลธรรมมีจริยธรรมคือมีศีลห้าชุมชนในกลุ่มนั้นไม่ต้องมีกฎหมาย เพราะศีลห้าเนี่ยคุ้มครองเพราะศีลห้าเป็นเป็นกฎกติกาตัดรากเงาเขาโคนของความชั่วที่หลวงพ่อจะอธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังนะนี่แหละเรื่องศีลเพราะนั้นจะมีการสาธารณพิธีใดอย่างจะเป็นงานวงมงคลคือคืองานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานเป็นมงคลอันนี้ก็ เมื่อไหว้พระจบแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็มางานอาวมงคลคืองานตายแล้วงานเเจ็บไข้ได้ป่วยหรืองานศพเมื่อไหว้พระเสร็จแล้วก็สมาทานศีลเพาว่าศีลคํานี้ทําให้ผู้รักษาหรือสมาทานศีลจะเป็นเครื่องคุ้มของโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุข สุกกายสุกใจเพราะอยู่ด้วยกันไว้เนื้อเชื่อใจกันพระระลงพ่อเองจะกธิบายตั้งแต่ม่อย่างพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายยะแต่บางแห่งก็ม่อย่างพันเตติสรเนรันสหะปัญจศีลานิยาจามะทำไมรักษาสินห้าขอสินห้าอย่างเดียวกันสินห้าเ ป, เป็นสองมาตรฐานหรือเปล่า ทำไมจึงอาราธนาทั้งจึงทำไมไม่พูดเหมือนกันแต่ตามไม่จริงถ้าจะว่าเป็นสองมาตรฐานก็เป็นสองนะคณะสาญญาตัตยาฎโยมโลกลานนี่แหละอันนี้ก็เพียงเท่านี้เราก็คล่องใจสงสัยแล้วถ้าว่าขี้สงสัยนะเว้นเสียแต่ว่าเขาว่าไปตามก็ว่าไปตามเขาถ้าว่าไปอย่างอื่นเดี๋ยวกจะเป็นบาปเขาว่าไปตามเขาตามเขาไปจบจบไปแต่ถ้าว่าถ้าสงสัยแล้วก็ต้องสงสัย มยางพันเตติสรเนนสหะปัญจศีลานียาจามะหรือมายางพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายะแต่ความแปลหรือความหมายคำมายางพันเตติสรเนนสหะข้าพรเจ้าขอสมาทานศีลพร้อมกันทั้งหข้อแปลว่ารักษาทั้งยวงอันนี้ก็คือปัญจะแต่มยางพันเตวิสูงวิสูงข้าพรเจ้าไม่มั่นใจในการรักษาศีลในคราวนี้ เพราะนั้นข้าพเจ้าขอรักษาเป็นข้อข้อข้อที่1นึ่งข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ถึง5ข้อทีนี้เราเมื่อรักษาไปแล้วนี่ถ้าหากว่าเรารักษาเป็นข้อข้อทางว่าเรารักษาไม่ได้ข้อที่หนึ่งเราไปบีมดไปตบยุงเราก็ศสียหาดไปข้อหนึ่งก็ยังเรื่องเหลืออยู่4ใช่ไหมล่ะอทินนาธานพอเดินลงไปไปเห็นรองเท้าเขสวยกว่า สวมรองเท้าเข้าไปอีกขาดข้อ2ใช่ไหมล่ะออพอไปเอกไปเห็นภรรยาภรรยาลูกหลานเขก็กอกแกะลูกสาวเขอีกขาดไปข้อที่สอย่างเหลืออีกสองไปเห็นโกห ก, กเขาอีกขาดที่4ไปเห็นเขากงเล่านะไปกินกับเขาอีกขาดหมดข้อที่ห้านะไปวารรักษาเป็นกอกคอวิสูงวิสูงนะแต่ถ้าให้หลวงพ่อ เป็นพูดตัดสินว่าอันไหนดีกว่ากันหลวงพ่อว่ารักษาทีเดียวทั้งยวงดีกว่าเพราะอะไรถ้าได้ก็จะได้เป็นกอบเป็นกรรมใช่ไหมไม่ใช่ใชี่อะไรลึงที่ห้าสิบตางใช่ไหมออนี่แหละอันนี้ก็คือไม่อย่างพันเตวิสุงวิสุงกับปัญจศีาลาก็ขอให้พวกเราเข้าใจใตามที่หลวงพ่อไดออ้บอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบจากนี้มาพูดถึงพอเสร็จแล้ว หลวงพ่อกะปิเป็นผู้ผานำว่านโมดนโ ม, มตัสสะปะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะทั้งสามจบทำไมเรารักษาศีลเราจึงว่านโมคือนโมความแปลและความหมายของนโมว่านโมตัสสะปะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เรากล่าวถึงสามครั้งทําไมเราจึงกล่าวเพราะว่าศีลห้าที่เราจะรับเนี่ยเป็นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดค้นค้นคิด อ, อ่เป็นผู้ประดิษฐ์อ่เป็นผู้บัญญัติขึ้นมาในเมื่อพระพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลห้าขึ้นมาแล้วมาบอกกล่าวเมื่อประ ก, กาศออกมาเป็นพระธรรมคําสอนในเมื่อเป็นพระธรรมคําสอนออกมาพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกมาบอกกล่าวให้กับพวกเรา พวกเราเห็นด้วยกับศินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับสินห้าจึงข้าพเจ้าขอนอบน้อมต้นความคิดต้นาศาสต้นาศาสนาที่พระพุทธเจ้าประดิษฐ์ ค, คิดขึ้นมาได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมความคิดของของพระ อ, องค์ท่านนีอันนี้เดียวเราจึงกล่าวน้โม3ามครั้งนะอย่างนั้นก็พุทธังพระองค์พ่อจะเป็นผู้พันธรมพุทธัง สรนังคัดฉามิธรรมมังสังขังสรณนังคัดฉามิดูติตาติทำไมจึงได้กล่าวพุทธังธรมมังสังขังด้วยกรเพาะพุทธังคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นในประกาวพระธรรมคำสอนออกมาจากนั้นพระสงฆ์ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์ นำพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่พระพธศาสนาพระพุทธเจ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้ากคงจะหมดในยุคสมัยนั้นคงไม่มาถึงพวกเราเพราะนั้นเราจึง อ, อนึกดูย้อนดูแล้วว่าพุทธังพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเรื่องพระธรรมคําสอนและพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ก็คือผู้นำพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวล้วนแล้วจะเป็นผู้มีพระคุณทั้งสทั้งสามัตนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะของพวกเราดูตียามปีขอข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สองจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งตาตียามปีพุทธทงธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้ายืนยันเป็นครั้งที่สาม จะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศินปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิพระพุทธเจ้าบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราคิดฆ่ากันจะหาความสงบเป็นสุขไม่ได้เพราะต่างคนต่างระวิงระวังต่างคนก็ต่างกลัวตายในเมื่อเขาเราไปฆ่าเขา เขาก็เสียความรู้สึกในเมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพี่น้องปู่ย่าตายายที่เรารักเขาล็อแล้วมาฆ่าวงตระกูลของเราเราเสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าถ้าคิดฆ่ากันอยู่จะหาความสงบร้มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนในสังคมในกลุ่มนั้น เพราะนั้นจึงบัญญัติศิลข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่ด้วยการเคารพเยนเป็นสุขสบายใจอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินนาทานาเว ร, รมณีอย่าไปคิดขโมยกันถ้าพวกเราไปขโมยของเขาเ อ, อเขาก็เสียความรู้สึกถ้าเขามาขโมยเราเราก็เสียความรู้สึกเช่นเดียวกันในเมื่อเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกฆ่าไทย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 ให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวระมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเ พ, เพราะอะไรเพราะเราไปเขียนเช็คเงินเช็คแดในะคงให้เขานะไม่มีเงินพอเขียนเสร็จส่งให้เขาเรารีบหนนะีถ้ามันไม่มากเขาไม่เป็นไรเขาไม่เสียใจมากถ้าเป็นล้านขึ้นไปแล้วเราก็เสียใจ เขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาก็เสียใจไปยอมตะกลัวมาขายอย่างนี้มีมากมายคำว่ามุสาโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเนี่ย เ, เพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงมั่นยัดสินข้อที่สถ้าหาว่าพวกเราไปทำอย่างนั้นทำให้โลกหรือชุมชนกลุ่มของเราเดือดร้อนวุ่นวายเพราะอะไรเพราะทาให้คนอื่นเขาทุก ใจพอถูกเขาถูกตอกต้องตุนหลอกลวงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่าน ย, ย้ำอีกว่าคนที่ชอบโกหกคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รูจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้ให้พวกเราสังเกตดูจะเป็นเพื่อนฝูงวงาาศาคณาญาติผู้ใครก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยขนาดไหนก็ตามถ้าโกหก ต่อแหลกกะล่อนไปกะล่อนมาจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วในครั้งกรุหู้นนะอันนี้พวกเราให้ศึกษาให้ฟังเอาไว้ข้อที่หสุราเมรยะมัชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราสุรานื้คือเหล้าเมลัยนื้คือเบียร์คัญชายาฟินเฮลรอิน มากมายทุกวันไอ้โคเคนเจนนับไม่ทวนยานั้นผสมนี้ยานี้ผ ส, สมนั้นพอดื่มฤเสีเข้าไปแล้วขาดสติเ น, ะ น, นี่ท่านเอาถือตรงที่ว่าขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้สินข้อที่หนึ่งขาดกระจุยกระจายอนะไรจะขโมยใครก็ได้เพราะขาดสติ จะลาบละล้วงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะขาดสติจะโกหกต้มตุนต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะขาดสติเนี่ยพวกเราคิดดูสิว่าศินข้อที่ห้าไม่ใช่สินเล็กน้อยนะเออเป็นเออเป็นสินครอบจั ก, กรวาลที่เดียว เ, เหมือนกับยาอะไรที่กินเข้าไปแล้วอมันแก้โรคด้ทุกอย่างนะมันก็เป็นพิษเป็นภยัยตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นพิษภยัยตัวสุราเมรยะ ทำให้เสียหาย อ, อบางทีทําให้ตําแหน่งหน้าที่เสียหายทําให้คนตำหนิติ้นนินทาสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกท่านพุทธศาสนิกชนทําคําสอนของพระพุทธเจา้าถ้าพวกเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราในสีข้อน่ะนะข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา ถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาเดือดร้อนถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้พวกเราสัมรัมระวังและสินข้อที่5เป็นสิลที่คุ้มครองถ้าคนใดก็ตามขาดสติไม่มีสติสัมปะชัญญะในตัวเองสามารถที่จะทำความชั่วเสียหายได้มากมายลหลายหลอย่างเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อรู้คุณค่าของศินแล้ว ต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อเองจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลต่อไปนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพธธุทธัสสะสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทาเย ธรรมมาจโลกาธิปตีสหปฏิกัตันชลีอัธิวรังอายาจธาสันติธาสตาสารัชชาชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมอันมัมงประชังตามที่จริงโครงการคนพลังงานฟังธรรมเพื่อต้านการทุจริตที่หลวงพ่อพูดจบลงสักครูน่นี้สิน้าเนี่ยแปลว่าชัดเจนอยู่แล้ว ถ้าปฏิบัติได้ทุกคนปฏิบัติสินห้าได้แปลว่าทดจริตเนี่ยไม่เมละแต่นี้คือมีทดจริตขึ้นมาก็เพราะว่าขาดสินห้าพรานั้นวันนีเน้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราคณะทาญาิยาโยมได้มารวมกันนิมนต์หลวงพ่อมาเป็นองค์แสดงหรือ ว, ว่าให้ แนวความคิดสำหรับพวกเราประธานวันนี้คือนายสมนึกบํารุงสาลีรองปลัดกระทรวงพลังงานที่ได้มาเป็นประธานและก็มีหัวหน้าคงจะหลายหั ว, ห, วหน้าหลายกลุ่มหลายหน่วยเหมือนกันหลวงพ่อไม่เองไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่รู้จูจากวาประธานใหญ่ที่จุดทูบเทียน ในวันนี้นะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันหนึ่งนะที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันเพื่อฟังแนวความคิดอย่างที่โคศกได้พูดให้ฟังสักครู่นี้วันหลวงพ่ออินถวายนี่เป็นมาอย่างไรเนอะหลวงพ่อะเป็นสามเณี น, น้อยของหลวงปู่ล่าแต่งแต่อายุสิบอ็ดย่างสิบสองปี เข้าพอจบป .4 แล้วก็มาอยู่กับองหลวงปู่ล่าเขมมาปโตถ้าว่าพวกเราไปทางมุกดาหารไปกราบเจดีหลวงปู่ล่าหลวงปู่ศรีก็อยู่ในระแวกนั้นหละหลวงบ้านของหลวงพ่อเป็นคนชาวป่าชาวดงเป็นคนมุกดาหารพออายุครบ11อย่างสิอก็มาเป็นเด็กวัดจากนั้นหลวงปู่ล่าก็ให้บวชเป็นสมัมมาเนนอย่างที่โคกศกได้พูด เป็นสัมเาณีอยู่8ปดปีพอครบภาคก็ได้บวชเป็นพระปีศ8นย์แปหลวงพ่อเนี่ยบวชเป็นสัมเาณีปี2500นอยะแปลว่าสัมเาณีกลึ่งพุทธการเป็นสัมมนนาณีกลึ่งพุทธการปี2อ0พนห้านะออพอปีศ8หลวงพ่อก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าเป็นเวลา9ปีที่ปู่เจ้าก็จากนั้นก็ได้มาอยู่กับหลวงปู่จามหาปุญโญ หนึ่ปีจากนั้นทำไมหลวงปู่จามเป็นหลวงอานะอ่าเป็นหลวงอาเป็นน้องชายพ่อคุณพ่อแท้ๆท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่ทั้งสามสิบกว่าปีจากนั้นโยมแม่โยมแม่ของท่านป่วยคือเป็นแม่ชีนะนี่ก็ในฐานะั่นถว่าเป็นโยมย่าของหลวงพ่อเองเพราะนั้นท่านมาอยู่ที่บ้านห้วยซ้ายท่านก็เรียกหลวงหลว ง, ลงหลานของท่านคือหลวงพ่อเนี่ยไปเป็นเพื่อนเวลาไปแสดงธรรมเวลาค่าคืน ให้โยมแม่ของท่านพราโยมแม่ของท่านอายุมากแล้วเป็นแม่ชีที่ส้ำนักชีคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ํานั่นน่ะวัดนั้นแหละหลัจากนั้นก็อพอโยมมารดาโยมแม่ของท่านมารณะภาพลงไปเป็นแม่ชีนะท่านก็กลับไปเชียงใหม่ท่านก็สักชวนหลวงพ่อว่าเออตุจะไปเชียงใหม่ด้วยไหมหลวงพ่อก็ได้ฐามหน้าหลานก็ไม่เคยไปไหนออกไปก็ไปขับหลวงอ่า จากนั้นก็เคยขึ้นไปไปอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นอยู่กับท่านพอประมาณท่านก็เอ่ยตุ้เนเป็นคนพระป่าพระโดงพระปฏิบัติจะมาอยู่พระในเมืองไม่ได้หรอกไปเข้าไปอยู่กับหลวงปู่แหวนหลวงพ่อก็เลยไปอยู่กับหลวงปู่แหวนปี2510นหะ้ระไปจำพรรษาปี2510ที่หลวงปู่แหวนจากนั้นพอจำพรรษาได้พรรษาหนึ่งญาติพี่น้องทาง ห้วยทายทางมุขทหารเห็นว่าวัดทางนี้มันขาดพระขึ้นไปในหมดหลวงปู่จามลงมาอีกแต่นี่ท่านก็ดึงชวนหลวงพ่อลงมาอีกนะหลวงพ่อก็ไม่อยากจะลงมาหลักทีแรกแต่จะอยู่ทางนู้นแหอะแต่หลวงอาชวนลงมาไม่ได้ต้องกลับด้วยกันหลวงพ่อก็เลยกลับมากับหลวงอามาอยู่ที่ห้วยทายปี2511นห้จากนั้นพออยู่ห้วยทายชั่วงระยะหนึ่งอายุปีหนึ่ง หลวงพ่อเออหลวงอาผมอยู่กับบ้านไม่ไหวหรอกอ ห, นหนุ่มสาวทั้งหลายมารุ่นราวขราวเดียวกันถ้าผมยึกเขินอยู่ที่นี่ผมต้องไดลาศึกขาแน่แน่ครับหลวงอาอขนาดหลวงอาก็ยังหนีจากบ้านเป็นพอแรงจะให้ผมมาอยู่ผมอยู่กับหลวงอาไม่ได้หรอกครับเอเอเอไปจากนั้นหลวงพ่อก็เลยไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ขึ้นไปทั้งนครพนมสกลนนะครไปทางอุดร ก็ไปอยู่ที่วัดหลวงตามหาบัวนะพอหลวงตามหาบัวก็เคยมาอยู่ที่บ้านห้วยทรายวัดถวงปู่จามอยู่นั่นะปี 2,500 2,594 94-95 เนะพราะ 2,192 หลวงปู่มั่นมรณะภาพนะ 94-95 96-97 หนะลวงตุ่ปาหลวงตามหาบัวมาอยู่ที่นั่น 3-4 ปี 4-5 ปีเนี่ยนะนะ จากนั้นทางก็ได้มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะนี่แหละอันนี้กาหลวงพ่อก็มีเครือขายมีสายรู้จักเพราะองหลวงตามหาบุญเคยมาอยู่ในละแวกแถวนั้นทีนี้ทั้งพ่อแม่ของโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อก็ดีหลวงปูล่ลาก็ดีถือว่าท่านอาจารย์มหาบุญเป็นครูบาอาจารย์ที่มีกฎเกณฑ์ดุฮะพระในชุกสมัยในยว่าหลวงตามหาบุญดุที่สุดนะ น่นีก็อยากจะให้หลวงพ่อเข้าไปศึกษา่หลวงพ่อก็ได้ยินวงปูล่ลาบางทั้งโยมพ่อโยมแม่วงสาคนาญาติหลวงพ่อก็ได้เดินทุง่งขึ้นไปเรื่อยๆพอไปก็ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาปี2 5งพันอยนะอยู่ไปอยู่องค์หลวงตาจนถึง2525 25นะไม่เคยไปจำพรรษาที่ไหนอยู่กับองค์หลวงตาตลอดจนสองนอ่ 26จึงได้ไปสร้างวัดป่านาคำน้อยอย่างที่โคศกได้พูดได้กล่าวชีวิตของทางชีวิตของหลวงพ่อถ้าจะว่าไปแล้วก็มอบหมายมอบฝังชีวิตทางชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาศึกษาเป็นภาคป่ามาโดยตลอดนักธรรมตรีโทเอกก็ไม่ได้เรียนนะลูกหลานนะมีแต่หลวงปู่ลายอยากจะเรียนหนังสืออยากจะได้มาหากับเขาอยู่พ่อญาติพี่น้องเป็นมาหานะ อยากจะไปเรียนหลวงปู่ลาอาไม่ต้องไปหรอกนี่เอาพระไตรปิฎกมาให้ท่านก็ไปหาขนพระไตรปิฎกามาให้ศึกษ า, าถ้าว่าไปเรียนหนังสือเดี๋ยวใจมันจะแตกทํามะนะเอเดี๋ยวมันจะตะเลทลหลไม่ได้อต้องให้เป็นพระกรรมฐานเนี่แหละท่านก็เลยหาหนังสือพระไตรปิฎกมาให้เอาหนังสือต่างๆมาให้หนังสือธรรมะมาให้หลวงพ่อก็เองได้ศึกษา ตามแนวแถวตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเนี่ยนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อที่ได้พูดได้กล่าวมาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังซิฟังซิว่า ห, หลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรที่หลวงพ่อฝากชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาเป็นพระถ้าหาว่าเป็นพระเฉพาะพระอย่างเดียวตั้งแต่ปีศูมาถึงปีหกสิบเป็นเวลาห เป็นเวลา52ปีฮะชีวิตพระนะชีวิตสามเณรอีก8ปีรวมเข้าไปสิเป็นเวลา60ปีหลวงพ่ อ, อฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา60ปีเนี่ยให้พวกเราคณะสตาญาติโยมได้ฟังจะนี้ต่อไปนี่กับหลวงพ่อจะได้พูดให้ฟังเลยนีหลวงพ่อเสียใจไมไม่ได้มีความสุขเหมือนกับฆรวาสญาติโยมเขา ทิ้งชีวิตฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเองภาคภูมิใจอย่างมากในตัวเองเพราะตัวเองไม่ได้ทําไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทําอะไรเสียหายมีแต่ประกอบคุณงามความดีมีแต่สร้างบุญสร้างกุศล เ, เป็นพระป่ามาโดยตลอดออครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่ด้วยกัล้วนแล้วจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์อย่างอง์หลวงปูล่ลานนี่ก็เป็นพระทีมมักน้อยสันโดษองค์หนึ่งพอไปอยู่กับหลวงอาจาม หลวงอาจามก็เป็นพระที่มักน้อยสันโดษที่เป็นหลวงอาไปอยู่ทางเชียงใหม่ไปอยู่กับหลวงปู่แหวนอีกหลวงปู่แหวนก็เป็นพระปฏิบัติทีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งก็ยกองค์หลวงตาก็เป็นที่รู้กันเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีแนวความคิดนังในทางพระพุทธศาสนาเพ <c oughs> ราะฉะนั้นหลวงพ่อเองหนึ่งที่เกิดมาพบในชาตินี้นับว่าเป็นผู้โชคดีส่วนหนึ่งได้พบ ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแต่หลวงพ่อเองจะผิดชอบอย่างท่านหรือเปล่ปปาก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะงบสุดท้ายน่ะเงือกสุดท้ายตา ย, ตายเมื่อไหร่เมื่อนั้นละ่ะจึงจะรู้ได้ว่าเออหลวงพุยหลวงพ่อเองนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอ บ, บอย่างครูบาอาจารย์ใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ยังไม่ถึงจุดจบนะียอย่างรับรองยังไม่ได้ใช่ไหมพวกเรานะแต่หลวงพ่อเนี่ยรับรองในตัวของหลวงพ่อเองอยู่นะหลวงพ่อรับรองในตัวของตัวเองอยู่นะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพวกเราได้เกิดมาในพพุทธศาสนาในวันนี้ลหะที่ได้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอะไรให้ฟังก็เป็นแนวความคิดส่วนหนึ่งที่จะให้พวกเราสนใจใส่ใจในในทำคำสอนถ้าหากว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ บาปบุญคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพวกเราก็พร้อมที่จะทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างนะคณะจตหาญาิโยมนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเกี่ยว่าตายแล้วศูนย์ออแล้วก็ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วออนรกสวรรค์ไม่มีแล้วพวกเราก็พร้อมที่จะทำความชั่วเสียหายได้ทุจริตได้ง่ายแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาแล้ว ที่หลวงพ่อได้ศึกษาแล้วได้มาปฏิบัติได้ปฏิบัติดูแล้วไม่เป็นอย่างที่พวกแนวความคิดอย่างนี้นะเป็นความคิดตรงต่างตรงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้ครูบาอาจารย์ที่ท่า น, นดได้บาาัญญัตินนไว้อยากจะรู้พวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ต้องคิดเดาไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องประมาณการ ต้องปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะเพราะพระเจ้าท่านหนีออกจากเวียงวังเมื่ออายุ29ปีไปอยู่ในป่าถึง2ีไปถึงอยู่ในป่าถึง6ปีไปทดลองลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับไปลองวิทยาศาสตร์หรือไปลองสิ่งที่พระ อ, องค์อยากจะรู้อยากจะเข้าใจในจุดนั้น น, นี่พระ อ, องค์ไปทดลองเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตศาสตร์ เป็นเวลาถึง6ปีแต่สูตรสาเร็จเมื่อท่านได้สาเร็จคือวันเดือน6เแผ่นที่โคลนต้นโพี่พุทธกายาพระ อ, องค์ทำอย่างไรในคืนวันนั้นในเย็นวันนั้นพระ อ, องค์ก็พูดตรัสให้ฟังโดยชัดเจนว่าพระ อ, องค์ได้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกในวันนั้น ในเมื่อพระ อ, องค์กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสติสัมปชัญญะพระ อ, องค์ไม่คิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตใจอยู่ในปัจจุบันที่ปลายจมูกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพ่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเกิดยาณทัศนะเกิดความรู้พิเศษจังหวะลึกชาติทวนหลังได้เรียกว่าปุกเพนิวาสานุสติยานล้ำลึกชาติทวนหลังได้ อันนี้คือพุทธะนะเพราะพระเจ้าและเลือชาติทูลละก็คือชาติที่แล้วเป็นมาอย่างไรชาติก่อนเป็นมาอย่างไงเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่นะที่นี่นะ ว, วันนี้ทําอะไรบ้างออกจากบ้านมาแล้ววันเมื่อวานเนี่ยทำอะไรบ้างวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนอันนั้นคืออดีตแต่ชาติอดีตอดีตนะอดีตตะวันอดีตตะเดือนอดีตตะปีนะ อันนี้อดีตชาติพระพุทธเจ้าล้ำลึกข้ามภพข้ามชาติพี่ว่าอดีตชาตินะนี่แหละล้ลึกชาติทวนหลังได้แต่พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปะตาตยานพระองค์ได้ตัดสรูุปรมขึ้นมาอีกจุตูปะปะตาตยานการจุติของสัพรพสัตทั้งหลายอย่างหลวงพ่อเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้แหละมองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทําไมพวกเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันความฉเฉลียวฉลาดไม่เหมือนกัน อากับกิริยาไม่เหมือนกันทำไมเกิดเป็นคนเหมือนกันทำไมจึงไม่เหมือนกันเพราะพระไตรจ้าก็มองดูแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงคนอีกท่านมองไปเห็นท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำแต่ละดวงวิญญาณทำกรรมไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันเพราะนั้นเมื่อการคิดการทำการพูดไม่เหมือนกันกรรมชั่วก็ต้องให้ผล อย่างที่พวกเราคนหนึ่งไปทำกรรมที่ไม่ดีใช่หมคิดที่ไม่ดีทำที่ไม่ดีเข้าคุกก็ไม่เหมือนกันใช่ไหล่ะเข้าคุกเหมือนกันอยู่แต่บางคนละคดีกันคนละคดีความคนละคดีเรื่องการพูดจะนีติดคุกอีกอย่างหนึง่งการกระทำแต่ละเรื่องติดคุกอีกอย่างหนึง่งแต่าทางโลกนี่คิดคิดอย่างเดียวยังไม่ติดคุก ยังไ ม, ไม่ยังไม่จัดว่าเป็นความชั่วแต่หลักของพุทธศาสนาคิดเท่านั้นก็เป็นความชั่วแล้วพอคิดขึ้นมาซะก่อนจึงทำคิดขึ้นมาซะก่อนจึงพูดเพราะนั้นท่านจึงเน้นไป จ, จุดที่ตัวความคิดตัวนั้นแหละแต่ว่าพวกเราทั้งหลายโลกสมมติทั้งหลายทุกวั น, นเพียงคิดเฉยๆคิดอยากจะฆ่าเขาคิดอยากจะวางแผนอะไรจะยังไม่มีโทษเพราะอะไรเพราะยังไม่ออกทางกาย อย่าไปออกทางวาจาแต่เมื่อออกไปทางกายทางวาจาแล้วนั่นแหะจับเข้าคุกเข้าตารางได้ผิดนะแต่หลักของพุทธศาสนาเพียงคิดเท่านั้นก็ผิดแล้วทําให้จิตใจเศร้าหมองเพียงแต่าคิด น, ะนี่แหละการทํากรรมทําได้สมทางในหลักของพุทธศาสนามนโนกรรมคือแนวความคิดกายกรรมคือการกระทําวาจีกรรมคือคําพูดในเมื่อทํากรรมทำทำได้สมทาง อย่างนั้นกรรมต้องให้ผลกรรมให้ผลผู้กระทําเพราะฉนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงเน้นถึงกรรมกรรมคือการกระทําอ ก, กตังกกตงยยชชาตตตกกตงุกตัางเสโยปัจฉาตปติุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังบางท่านบางคนก็ว่าตัวเองเฉลียวฉลาดนะ เ, เมื่อทำกรรมลงไปแล้วก็คิดว่าหนีกฎหมายได้แต่พอที่ไหนได้พอกฎหมายจับได้ไล่ทันเท่านั้นแหะตัวเองก็ไปติดคุกเมื่ออายุแก่อันนี้ไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นกรรมชั่วจะทําเสเลดีกว่าเมื่อกรรมชั่วทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลนี่แหละการทุจริตอย่างที่พวกเราได้เอ่ยชื่อถึงนี่เหมือนกันการทุจริต ต่ตอหน้าที่การทุจริตมีหลายๆอย่างาการทุจริตต่หน้าที่บางทีขี้เกียจไปทางานาที่เกียจไปทำงานทำหล่อเลาะเลยแหละแต่ว่าเวลาไปรับเงินเดือนขยันนะขยันไปรับไม่เคยขาดเลยถ้าขาดบาทหนึ่งสอบาทก็ถกเถียงเขาจนเอาให้ครบให้ทวนแต่เวลาทำการทำงานน่หลุดๆหลุดหลุ ด, ลดจนย่อนอไม่เป็นไรนี่ เนี่แหละเสียงเหล่านี้แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านให้ตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอว่าการทำงานของข้าเนี่ยเต็มที่ละอย่างถูกต้องละอย่างเป็นธรรมละอยังถูกตามกฎเกณฑ์หรืออย่างนีถ้าหากว่าเราถามเราว่าสมมติว่าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมที่เราทำงานอย่างนี้เนเราเดินหล่อหล่อแหลๆไปมาเนี่ยวันละเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่า ตัวของพวกเราพวกเรารู้แก่ใจว่าเงินที่ค่าจ้างของเรานี่วันหนึ่งวันละเท่าไหร่มันคุ้มค่าไหมคุ้มค่าเงินเขาไหมที่เขาที่เขาให้เราถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมอันนี้ถ้าหากว่าคนอื่นถามนะพวกเราก็จโมโห้อยเขาใช่ไหมให้ตัวเองถามตนเองจะได้ไม่มีจะได้คำตอบที่ดีนะเออถ้าหากว่า เราทํางานอย่างนี้ต่อหน้าที่การงานของเราอย่างนี้สุดจริตอย่างนี้ถ้าเป็นเงินเดือนของถ้าเป็นเงินของเราเรากล้าจ้างเราแน่นอนเนะีน่ถ้าว่าพวกเราขนาดเงินตัวเองยังไม่กล้าจ้างตัวเองแสดงว่าเราขาดตุบปกพ้องต่อหน้าที่การงานแล้วนะปัญหาขอให้พวกเราทบทวนตรวจตราดูตนเองในการทําหน้าที่การงานเพราะว่า เงินที่เราได้รับมาเป็นเงินของใครเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนเป็นเงินของที่บริษัทหรือว่าเงินภาษีที่เราทํามาค้าขายมาได้เป็น ผ, ผู้ว่าจ้างเราเพราะฉะนั้นการทําการทํางานของพวกเราให้ซื่อสัตย์สุดจริตไว้ดีกว่าในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้นะดูก่อนสงทั้งหลายพระภิกษุสงอ ง, องได้ข้อตาม ไปบินทบาทชาวบ้านเข้ามาฉันแล้วมาพูดแต่เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องสัพเพเ ห, เหระเรื่องไร้สาระไร้ประโยชน์ผู้นั้นไปว่าบินทบาตมาฉันไม่ไม่คุ้มค่าข้าวของเขาถ้าภิกษุสงฆ์องค์ใดก็ตามในเมื่อไปฉันพัฒหารเข้ามาแล้วเมื่อมาฉันเสร็จแล้วไปนั่งอยู่ในมุมสงบอยู่ในที่กุฏิก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามนั่งขัดสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้าออกพิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงเห็<ม>นร่างกาย<ม>เคลนเห็นความเกิดความเสื่อ ม, มเพียงลัดนิ้วมือเดียวก็คุ้มค่าข้าวของเขาเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้อย่างนั้นอีกเหมือนกันนะเพราะฉนั้นพวกเราท่า น, ท, านทั้งหลายเรื่องคุ้มค่าเงินหรือคุ้มค่าตอบแทนให้พวกเราตรวจตราดูตนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน คำว่าขอรับชั่นคำนี้มันมีมากมายหลายหลายอย่างอขอรับชั่นเชิงวิชาการขอรับชั่นอันไหนต่อมิอันไห น, ไ ม, น, ไหนมันมีมากแต่ถึงยังไงไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราถ้าพวกเราทำตนให้เป็นคนดีซื่อสัตย์สุดจริตต่อหน้าที่การงานต่อประเทศชาติบ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าพวกเราทาหน้าที่การงาน ในบริษัทห้างร้านไหนก็ตามกระทรวงทบวงกรมไหนก็ตามถ้าเราไม่ซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงทบวงกรมนั้นเป็นกระทรวงกรมใหญ่นะเหมือนกับต้นไม้ใหญ่แต่พวกเราเนี่ยเป็นตัวบุ่งตัวนอนเอากาะใสต้นไม้ใหญ่ตัวนั้นต่อไปต้นไม้ใหญ่ตัวนั้นถึงจะไม่ล้มไม่โค่นทีเดียวก็แกล้ง่อยไรเพราะว่าพวกตัวบุ่นตัวนอนเจาะ ชัยต้นไม้ต้นนั้นมันไม่เจริญรุ่งเรืองไม่งอกงามแต่ถ้าว่าพวกเราช่วยกันช่วยกันทนุบำบงหาปุ๋ยหาน้ำํำแล้วก็ดูแลตน้นไม้บริษัททางร้านนั้นก็เจริญรุ่งเรืองงอกงามผลออกมาองแบ่งสันปันส่วนกันได้กินทั่วหน้าแต่ถ้าว่าตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดคนนั้นก็ทนเองฉลาดต่างคนต่างฉลาดนะ ต่างคนต่า ง, างใช้ไหวใช้พริ์ต่อกันผลที่สุดบริษัทห้างร้านกระทรวงทบวงกรมนั้นก็ง่อนแงนคนแคลนนะหาความเป็นผึกแผนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงคนที่บริษัทที่ทำงานด้วยกันเท่านั้นจึงจะรู้ได้ในหลักของพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แต่พวกพระทุกองค์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมปฏิบัติต่อหลักพระธรรมวินยัยปฏิบัติต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองพระพุทธองค์ทั้งตรัสว่าดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งหลายธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นาศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วศีลและวินัยนั่นแหลจะเป็นาศาสดาของพวกท่านนี่แหละ อันนี้ก็คือพวกเราจองอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวิ น, นัยที่ได้ตั้งกฎเกณฑ์กันขึ้นมาถ้าว่าพวกเรามีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อหน้าที่การงานแล้วนั่นแหละหลวงพ่อมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวาการพัฒนาประเทศชาติหลวงพ่อก็เคยมีเขามีมิตร ม, มาถามนะท่านามาถามหลวงพ่อหลวงพ่อครับจะเขียนแผนพัฒนาที่ เออ2สเนี่ยสมัยนั้นนะแล้วจะเขียนยังไงลงในความเห็นของหลวงพ่อนะขณะหลวงพ่ออยู่ในป่าขณนยังไปถามนะหลวงพ่อก็บอกว่าต้องเขียนพัฒนาคนก่อนต้องพัฒนาคนก่อนถ้าว่าคนในชาติไม่อยู่ในกรอบในศีลในธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีแล้วจะพัฒนาประเทศชาติอย่างอื่นรู้หลาโออาขนาดไหนก็เถอะมีแต่มีแต่นักเลงหัวไม้มีแต่กี้เหล้าเมายา มีแต่คนเล่ไม่มีแต่คนเลวคนชั่วนะจะพัฒนาไปทไหนก็พัฒนาเถอะมันไปไม่ได้หรอกมันจอดถ้าพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้วประเทศชาติถึงจะค่อยเป็นค่อยไปก็แน่นหนามั่นคงเพราะคนในชาติเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือคนีสําคัญกว่าสิ่งอื่น ในการพัฒนาประเทศชาติในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่ามโนปุพ ma, ังขมาธรรมามโนเศษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจอันนี้คือคนคนหนึ่งถ้าใจของคนนั้นมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมในจิตใจการพัฒนาทางกายก็ไปในทางที่ดีการกระทาทางวาการ การกระทำทางกายก็เป็นในทางที่ดีการพูดไปทางวาจาก็เป็นทางที่ดีเพราะอะไรเพราะใจของคนนั้นได้รับการพัฒนาได้รับมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ถ้าว่าใจคนนั้นมีแต่โมโหโกธาโลภโกรหลงเต็มหัวใจคิดออกไปมีแต่อยากจะโลภอยากจะได้ของเขาการการะทำออกไปมีแต่เบียดบงังมีแต่ก่นแกล้ง ลหลังแกคนอื่นเขาการพูดออกไปก็เหมือนกันสรุปแล้วก็คือใจคนนั้นไม่ไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นขอให้พวกเราเอาคุณธรรมศีลธรรมเอาศีลธรรมเอาศีลห้าเนี่ยนะเขามาเป็นเครื่องนำเป็นเครื่องประพฤติาจากนั้นก็คิดจิตใจให้เป็นสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้พาดาเนินบำเพ็ญมานะ่ะ พันบําเพ็ญกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทอันนี้คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นนะแต่ต้นตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยคือหลวงปู่มั่นนะที่ท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานจากนั้นท่านก็สอนหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่จามหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบวกคือหลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้า หายใจออกเอ่ออันนั้นคือพรพุธองค์ยังไม่ได้ตัดรู้ท่านเพียงกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นวิธีของพุทธะแต่พวกเราท่านทั้งหลายกำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆนะมันจะหลุดได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายนะให้บริกรรมสำทับพุทธโธเขาด้วยนะหายใจบริหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทนี่แหละให้มีพุทธโธด้วย นี่ละอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจากนั้นก็เมื่อจิตใจได้รับความสงบจิตใจจะเน่งเน่งเน่งเพราะจิตใจไม่คิดถึงอดีตอนาคตนะจิตใจเน่งสงบพอนิ่งสงบลงไปลนะ่ะจิตใจเป็นสมาธินะเมื่อจิตใจเป็นสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายนะมันคนละอันกันนะทีนี้ร่างกายเนะี่ยคือ เหมือนกับรถหลวงพ่อเปรียบเทียบ ว, ว่าร่างกายเหมือนกับพรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถอยู่ในตัวของเรามีอยู่สองอย่างรูปประธรรมกับนามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่จิตใจนั้นเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่ในหลักของวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสมองสมองเป็นคนคิดนะแต่ตามไม่จริงหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่า สมองเนะี่ยมันอยู่ที่ศรีรษะของเราแต่ว่าผู้ที่มาใช้สมองนะั้นอีกคนนึงอีกอีกอันหนึ่งอันนั้นเลยว่าใจหรือวิญญาณเอ่อหรือว่ามันโนคือณนะความเป็นผู้เป็นผู้มาใช้สมองเหมือนกับเราได้ลด ร, ราคาแพงๆมาอย่างนี้แหละเออรถคันหนึ่งลด ร, ราคาแพงมันต้องมีสมองกลเวลาจะตัดเครื่องขึ้นมาแล้วตื่นนอนขึ้นมาแล้วนะ่ะ ه, เครื่องก็จะบอกให้ให้รู้ว่าอาวัย ว, วะในตัวของมันตัวไหนมันมันย่อนมันขาดน้ํามันจะไปได้เท่าไหร่ตาซ้ายตาขวายางล้อซ้ายล้อขวามันจะบอกในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนั้นทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันแต่คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์ตัวนั้นคือใครคือคนแต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์นั่นคือสมองนี่แหละพวกเราได้ค้นคว้าศึกษาแต่ถึง สมองแต่ยังไม่ถึงตัวนมามธรรมตัวผู้รู้ตัวนั่นแ่ะตัวนั่นแหละตัวสำคัญมากกว่าท่านจังให้ความสำคัญว่ามาโนปุพังขมาธรรมามโนเศสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วรวยใจเพระาะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับหลายๆแนวความคิดให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษา ถ้าจะว่าเป็นภาษาเสียงใหม่แล้วเขาบอกแกงโ hover ใวันนี้น ะ, ะรวม ร, รวมรวมกันหลายเรื่องน ะ, อะรวมรวมกันหลายเรื่องมาใส่กันแต่ถ้าว่าพวกเรารู้จักแกกแยะนะพวกเราก็คงจะว่าโอ้แกงโหนนี่อร่อยไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะแกงโหนนี่ก็อร่อยไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะถ้าว่าเทศแบบครูบายจันในเมืองในกรุงท่านก็จะพูดอีกในระดับหนึ่งภาษาสละสเลย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 ได้ฟังหลักเหตุผลได้ฟังอัดฟังธรรมจิตใจของเราจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสอันนี้แหละอันนี้สูงแห่งการฟังสุดตรมมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนเรามาทบทวนดูอีกในการได้ยินได้ฟังนั้น เยาวินตามยะไปมมยะปัญญาภาวนามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณาอันนี้เป็นปัญญาทางพระพุทธศาสนานะทำจิตใจให้สงบซะก่อนจิตใจเห็นนิ่งซะก่อนจากนั้นจิตใจที่ผ่านความสงบผ่านความนิ่งแล้วนามาพิจารณาการกลองไตรตองเหตุผลในเรื่องนั้น เราจะตัดกิเลสราคาโทสะโมหตัดความชั่วออกจา ก, กจิตใจของเราได้อันนี้เราาภาวนาเมายปัญญาสรุปแล้วที่ได้กล่าวมาก็คือสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาได้ฟังครั้งนี้บ้างได้ฟังครั้งต่อไปข้างหน้าบ้างในเมื่อได้ยินได้ฟังหลายครั้ง เ, เราก็นำมาพิจารณาการกลองด้วยเหตุและผลอย่างนั้นพวกเราก็จะได้รับความ สงบล่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจการกล่าวสมโมทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีลัตะนาตรายัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราทัท่า น, นทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ความสุขความเย็นใจทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนา ท, ทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธิน